ขอล่าม ง, ง่ายคิดจากหนังธรมักล้ตัวฉบับที่เจ็ดภูมิใจเสนอเป็นจะมาตอาบโลหิตให้สียงภษไทยโดยโจโจโบทบรรยายโดยชนลนิต ถามโลกล่ามนุษย์นั้นเป็นชันใดชั้นไหนมักให้ความสำคัญต่อสิ่งไร้ค่าทอดทิ้งสมบัติแท้ข้างกายห้องเตะผู้ยิงใหญ่กับห้องเฮาผู้หลักแหลมหวังเข่นฆ่ากันจะเกิดสิ่งใดขึ้นไรฟ้าทหารกล้าล้วนแหลกรานโลหิตนองดุดท้องทานสากศพกองสูงเท่าภูเขาทั้งหมดนี้จะโทษใครโทษกรรมกระนั้นหรือ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 แอบผสมพิษออกฤทธช้าในโอสถที่หองเฮาต้องสวยทุกหนึ่งชั่วยามหองเฮามิงโง่เขลารู้ทั้งรู้ถ้าคบชู้ชีวิตจะสิ้นและโอสถที่จำต้องสวยทุกชั่วยามมีพิษผสมทางเดียวที่จะรอดได้คือก่อกบฏอง์ชายรองผู้เป็นบุตรรู้เพียงมารดาถูกวางยาเข้าใจเหตุการณ์แต่ก็ยังประกาศชัด ามิอาจสังหาเสด็จพ่อไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไรแต่เขาคือบิดาของข้าพระนางรู้ว่ายากเปลี่ยนใจบุตรกตัญยูทางเดียวที่ทําคือยอมสวยโอสถพิษต่อหน้าองค์ชายรองการฝืนสวยโอสถ ด, ด้วยสีหน้าห่าหารปนขมขื่นเช่นนี้บีบคั้นจิตใจบุตรชายยิ่งประจักษ์แจ้งแก่ใจระมารดามิอาจไม่สวยโอสถพิษพระราชทานหากนางดื้อดึง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 กลับโดนทหารนับแสนโอกขนาบล้อมหน้าหลังดุด จ, จับตะพาบน้ไห่คนเก่าทันระดมยิงใส่ดังหาฝนหยาดเลือดกระเซ็นริงรถเบนจมาม่าจนเปลี่ยนสีกลีบดอกยับเยิยนด้วยซากศพโถมทับสิ้นชีวีวิญญาณทหารกล้าปิดปลิวสังเวยแด่สงครามห้องเต้ห้องเหา่า หลังจากฮ่องเต้สั่งเก็บกวาดหมื่นซากศพชะล้างทะเลเลือดจนสิ้นยังมีแก่ใจเชิญฮองเฮาและองชายรองผู้รอดชีวิตด้วยร่างอาบโลหิตขึ้นร่วมโต๊ะสวยงานเทศกาลชุงเยิงทว่าวาจาที่กล่าวต่อ ก, กันมีคล้ายคนในครอบครัวข้าบอกแล้วสิ่งใดที่ข้ามีให้เจ้าก็ไม่มีสิทธิช่วงชิงฮ่องเต้ตรัสข้าไม่ได้ก่อกบฏเพื่อหวังชิงบัลลังก์ องชายรองกราบทูลเด็ดเดียวค่าทำเพื่อช่วยชีวิตเสด็จแม่โทษของการก่อกบทคือทันใดมันคือห้าม้าแยกสังขารห้องเต้เสนอทางเลือกแก่องค์ชายรอง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 สงสารก็แต่องค์ชายรองพระองค์ทำสิ่งใดผิดถึงต้องมาอยู่ตรงกลางระหว่างฮองเต้กับฮองเฮาเหตุใดจึงต้องเลือกระหว่างฆ่าแม่กับฆ่าตัวตายผลของการฆ่ามารดาคืออเวจีมหานรกผลของการฆ่าตัวตายด้วยจิตโทมนัตคืออบายภูมิอันยืดยาวพระองค์ต้องเลือกมิอาจไม่เลือกผิดขององชายรองมีอย่างเดียว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 สิ่งที่เธอต้องทุกต้องฝนดูไร้เหตุผลหมายเหตุเทศกาลชูงเยิงเป็นที่รู้จักในชื่อเทศการ99เพรถต่งกับวันที่9กันยายนหรือวันที่9เดือน9ที่มามิตยาสาร Movie Time ฉบับ322อย่าหิดลองดูเรื่องกัน กประทันค ง, งเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือไรอันลึกลั่มั่นคงกับการส่ง